ที่ได้มาเปล่าปล่าฟรีฟรีอันนี้แต่ว่าปมันก็เป็นศัจธรรมอย่างหนึ่งนะสำหรับการใช้ชีวิตนะในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ได้มาเปล่าเปล่าฟรีฟรีจริง ๆ, ๆนะอะไรที่ว่านี้มันไม่ได้หมายถึงสิ่งของเช่นอาหารโทรศัพท์รถยนต์เสื้อผ้าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้จะได้มาก็ต้องจ่ายเงิน หรือเสียเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม่จะได้มาเป่าปล่าฟรีฟรมันก็ไม่ใช่ว่าฟรีจริงนะเพราะว่าเราอาจจะต้องเสียเวลากับมันควาว่าเป่าปล่าฟรีฟรีนิวมันไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องเสียเงินเสียทองอาจจะเสียอื่นทั้งนั้นเสียเวลาหรือว่าต้องเอาความเพียรเข้าแลก แต่ต้องเจอความยากลำบากต้องยอมสละหรือเสียความสะดกสบายไปอย่างเช่นความรู้เนี่ยนะเราจะได้มานี่อย่างน้อยก็ต้องยอมเสียเวลานะในการอ่านตำรับตำราในการอ่านหนังสือหรือในการฟังผู้รู้แล้วถ้าเป็นความรู้ที่ ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนหรือเป็นความรู้ใหม่เป็นความรู้ชั้นหนึ่งไม่ใช่ความรู้แบบเซ็คเกอน์แทนความรู้ชั้น2นี้แค่อาา่านหนังสืออย่างเดียวมันก็ไม่พอแค่เสียเวลาก็ยังไม่พอเนีต้องเสียอะไรหลายอย่างเป็นเสียความสะดกสบายต้องเจอความยากลาบาก มีฝรั่งอเมริกันคนหนึ่งนะแกชื่อจัสตินช m ม t ์เป็นคนที่สนใจเรื่องมแมลงมากนะเขาเป็นนักกีตาวิทยากีตาวิทยาก็คือศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องมแมลงแล้วมแมลงที่แกสนใจตั้งแต่เล็กจนแกเนี่ย น, น, นะ ส่วนจะเป็นแมลงที่มันมีพิษสามารถต่อยได้เช่นมดพึ่งต่อแตนแต่เขาก็ไม่กลัวนะไม่กลัวว่ามันจะต่อยซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยจะหาความรู้ ที่เกี่ยวกับมแมลงเหล่านี้เนี่ยมันก็เลี้ยงไม่ได้นะที่จะถูกต่อยเช่นอยากจะรู้ว่ามันมีพฤติกรรมอย่างไรในการหากินในการหาคู่มันมีนิสัยใจคออย่างไรแล้วก็สนใจนะสนใจมแมลงเหล่านี้แล้วก็อุตส่าห์ดันดุนไป ศึกษาทำความรู้จักกับแมลงต่างๆไม่ใช่แค่ใกล้บ้านเกิดนะแต่ว่าเรียกว่าไปผจนภัยไปเสี่ยงอันตรายในป่าในเขาในถิ่นทุรกันดารที่ไหนก็มีแมลงแปลกๆที่ไม่เคยรู้จักเขาก็ไปมดบางชนิดนี่มันอยู่ในรู ทีเขาก็ต้องแย้มมันนะเอานิ้วเอามือแย้มหรือล่วงเข้าไปเพื่อได้ศึกษาพฤติกรรมของมันและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของมันและแต่ละชนิดนะความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยเกี่ยวกับแมลงแต่ละชนิดนี่มันไม่ใช่แค่ต้องยอมเสียความเสียสละความสะดวกสบาย ต้องไปตกรับกรรมลำบากนะในเขตในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยแต่ต้องเจอกับการถูกมแมลงเหล่านี้ต่อยน ะ, นะมะแมลงมาชนิดนมันก็ต่อยหนักซะด้วยแล้วเขาก็ไม่ย่อทอนะเรียกว่ายอมเจ็บนะเพื่อที่ได้มีความรู้เกี่ยวกับมแมลงเหล่านี้ เขาวเนี่ยเขาโดนมแมลงชนิดต่างๆเนี่ยต่อยเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเกือบ150ชนิดนะในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาที่ศึกษาอย่างจริงจังแต่เขาก็ไม่ยอมทอนะก็ทำให้เขาเนี่ยได้ความรู้มากมายนะเกี่ยวกับมแมลงเหล่านี้แต่ละชนิดแต่ละชนิดเรียกว่า เกือบจะทั่วโลกเลยก็ว่าได้แล้วก็ได้ความรู้นะว่าในมแมลงเนี่ยที่หากินแบบโดดๆเนี่ยนะมันจะมีพิษหรือมีลทธิจากการต่อยเนี่ยนะเบากว่ามแมลงที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นสังคมอย่างพวกพึ่งเนี่ย นั่นทำเป็นอย่างนั้นนะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเพราะมาแมลงที่มันอยู่มาเป็นกลุ่มเป็นสังคมเนี่ยนะมันมีหมู่คณะมากมายที่ต้องปกป้องต้องรักษาต้องช่วยเหลือเพราะฉะนั้นมันต้องพิษเนี่ยของของมันเนี่ยนะจึงต้องแรงแล้วก็มแมลงที่อยู่เป็นกลุ่มเนี่ยนะมันก็มกักจะไปที่หมายปองของศัตรู ที่จำนวนมากเนี่ยจะเป็นหมีจะเป็นลิงอะไรพวกนี้จะเป็นที่หมายปองมากกว่าเพราะนั้นมันก็ต้องมีถ้าปกป้องหมู่คณะหรือรังของมันได้ก็ต้องมีพิษที่แรงต่อยหนักแล้วก็ยังพบอีกว่าเนี่ยความเจ็บปวดจากการถูกต่อยเนี่ย หรือที่เรียกว่าที่เกิดจากพิษเนี่ยของมแมลงเหล่านี้เนี่ยในความเจ็บปวดเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือพิษของมันสัตว์บางชนิดเนี่ยต่อยหนักเจ็บแต่ว่าพิษนี่ไม่เท่าไหร่มแมลงบางชนิดนี่ต่อยเจ็บไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าพิษนี่อาจจะถึงตายได้เพราะมันทําให้ระบบ ประสาทเนี่ยของสัตว์ที่ถูกต่อยเนี่ยมันเป็นอัมพาตอาถึงกับรู้นั่งอาจถึงกับหยุดหายใจนะหัวใจหยุดเต้นไปเลยถามมาเขารู้ได้ยังไงนะว่าความเจ็บปวดเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับพิษของมันเขารู้จากประสบการณ์ตัวเองนะคือต้องยอ่อให้มันต่อยย่ยอให้มันต่อยก็รู้ว่าโอ้ย บางชนิดนี่ต่อยหนักแต่ไม่เป็นอะไรเลยแต่บางชนิดต่อยไม่หนักนะแต่ว่าอาการนี้ก็เพียบเลยทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนแต่เกิดจากประสบการณ์ของตัวเองมันเป็นความรู้ชั้นหนึ่งเลยเนี่ยกเรียกว่าก่อยได้ความรู้มาเกี่ยวกับแมลงแต่และชนิดแต่และชนิดนี่ก็ต้องยอมเจ็บนะไม่ใช่แค่ยอมลำบาก ยอมเสียเวลายอย่างเดียวอันนี้ก็เรียกว่าเขาก็เป็นคนที่เสียสละคนหนึ่งนะ้ความรู้ที่เขาได้พบเนี่ยซึ่งเป็นประโยชน์นะไม่มากก็ น, น้อยเนี่ยกับมเุษษียชาติเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เกิดจากการยอม เจ็บยอมปวดจะว่าไปเนี่ยมันก็เพราะการที่เขารักความรู้อยากจะแสวงหาความรู้ให้เป็นประโยชน์นะต่อโลกเนี่ยโดยเพราะเกี่ยวกับมแมลงเนี่ยทำให้เขายอมเจ็บอดทนต่อความเจ็บปวดได้แต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือว่า พอศึกษาไปหาความรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นเนี่ยก็พอมีอย่างหนึ่งที่มันน่าจะรู้นะที่คนเราน่าจะรู้คือว่ามแมลงแต่ละชนิดที่ต่อยเนี่ยมันสร้างความเจ็บปวดมากน้อยแค่ไหนก็แล้เกิดความขึ้นมานะทําดัดชนีนะดัดชนีความเจ็บปวดจากการถูกมแมลงต่อย ตัชนีนี้มันก็มีตั้งแต่ศนถึง4นะเรียกคะแนนก็แล้วกันนะศถึง4ี่เนี่ยที่ต่อยหนักๆแรงๆเนี่ยนะก็ให้ไปเลยนะสี่ถ้าต่อยเบาๆหน่อยอย่างเช่นมดแดงกัดเนี่ยอาจจะไม่ถึงหนึ่งะอาจจะแค่ 0.5 อาจจะศ2ย์พึ่งเนี่ยนะก็ให้ไปเลยสองนะ ดัชนีคือ2คือกลางๆจะถามว่าจะทำดัช น, นีได้ยังไงนะดัชนีว่าให้คะานนว่ามแมลงแต่ละชนิดเนี่ยนะมันทำให้เจ็บปวดมากน้อยแค่ไหนนะถึงเนี่ยดัชนีนี้จะทำได้ก็ต้องให้มแมลงเนี่ยพวกนี้มันต่อยเอา แล้วก็มุ่งม า, มาๆนๆที่ทำดัชนีที่ว่าแล้วสุดท้ายาก็ทำสำเร็จนะดัชนีเกี่ยวความเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกต่อยโดยมแมลงเกือด80ชนิดนะไม่ว่าจะเป็นมดไม่ว่าจะเป็นผึ้งต่อตานหรืออาจจะรวมถึงแมงบุ๋มด้วยดัชนีเนี่ยนะเขาจะทำให้สำเร็จได้ครบท้วนได้เนี่ย มันต้องไปให้แมลงพวกนี้ต่อยนะงั้นเขาก็เลยแสวงหาดัานเด่นดันดุ น, นะไปให้แมลงต่อยนะทาให้มันต่อยจะได้รู้ว่าควรจะให้คะแนนมันเท่าไหร่งั้นจากเดิมเนี่ยที่การถูกต่อยเนี่ยนะมันเป็นเพียงแค่เป็นแค่ผลพลอยได้นะไม่ใช่ผลพลอยได้แต่ว่าเป็นเหตุเป็นเรื่องจำเป็น ที่หนีไม่พ้นจากการที่ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมแมลงตอนหลังมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นนะเป็นเรื่องที่เขาแสวงหา ห, าหรือเข้าหาเลยคือหาเลือกให้มันต่อยแล้วไม่ใช่แค่รู้ว่ามแมลงชนิดใดเนี่ยต่อยหนักแค่ไหน1นถึงสหรือว่า 0.5 เท่านั้นนะ ก็อยากจะรู้ด้วยว่ามันความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นแบบไหนปวดจี้จหรือปวดร้อนๆอนหรือว่าปวดแบบเหมือนกับไฟฟ้าช็อตเงี้ยอย่างนั้นครับเนี่ยเขาต้องต้องให้มันต่อยแล้วก็คอยสังเกตนะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแล้วก็บันทึกเอาไว้มันกลายเป็นวิชาการเลยนะ ในเรื่องของการยอมให้มแมลงนี่มันต่อยความเจ็บปวดมันกลายเป็นสิ่งที่เขาสแสวงหาเพื่อได้มีความรู้ว่ามันปวดมากน้อยแค่ไหนและมันมีอาการอย่างไรคนเขาหาเขาบ้านะหรือเป็นพวกมาโซกิสมาโซกิสก็คือพวกที่ชอบทำร้ายตัวเองและมีความสุขเขาบอกเขไม่ใช่ เขาอยากจะหาความรู้หรือสร้างองค์ความรูเ้เกี่ยวกับแมลงต่างๆให้มากที่สุดและองค์ความรู้อันนึงที่มันเป็นประโยชน์ต่อโลกคือนะดัดชนีเนี่ยความเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกต่อยควรจะได้ระมัดระวังนะเวลาไปเกี่ยวข้องกับแมลงชนิดนี้ถ้า ขนาดความปวดมันเป็น4เนี่ยต้องยิ่งต้องอยู่หากอย่าไปเข้าใกล้มันหรือว่าถ้าบางชนิดมันแค่แค่0ูหรือ1น่เาก็ไปเกี่ยวข้องกับมันได้เป็นประโยชน์ต่อมือเษียชาตินะนนในสายตาของเขางนั้นเขาก็เลยไม่ใช่แค่ยอมเจ็บหรืออดทนต่อความปวดแต่สแสวงหาเลยนะดิ้นดัน้ดนดั้นต้นไปให้มันต่อย นะแล้วก็ศึกษาพวกเราที่โดนมแมลงต่อยเนี่ยเราก็คงรู้นะว่ามันมันเจ็บแล้วเราคงอยากจะเลี่ยงนีแม้จะเป็นพึ่งแม้จะเป็นต่อแตนแล้วพอโดนต่อยเนี่ยจะรู้สึกปวดถามว่าเ้าปวดเหมือนเราไหมเนี่ยจัสตินชมิดเนี่ยเขาก็ปวดเหมือนเรานะแต่เขาไม่ทุกข์เพราะมัน มากเท่าไหร่ปวดเท่าเรานะแต่ จ, จะไม่ทุกข์เท่าเราเพราะอะไรเขาก็เห็นประโยชน์ของมันเราก็เห็นว่ามันความปวดนี้ให้ความรู้กับเขาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อลึกเสียชาติเป็นประโยชน์ในทางวิชาการเขาก็เลยไม่ทุกข์มากทั้งที่เขาก็ปวดเท่าเราหรือปวดมากกว่าเรานะแต่ว่าเขาทุกข์น้อยกว่า ใสิ่งที่ทำให้เขาทุกน้อยกว่าเนี่ยมันคืออะไรก็คือการเห็นคุณค่านะของสิ่งที่เขาทำเห็นคุณค่าเห็นของความเจ็บปวดเห็นประโยชน์ของความปวดที่ได้รับเพราะว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยได้ความรู้แล้วก็นาไปถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์นะกับผู้คนถามันมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่ เรียกว่าเสียสละยอมปวดยอมเสี่ยงอันตรายเนี่ยยอมเจ็บเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่ามันมีประโยชน์เขาเป็นผู้ใฝ่รู้นยอยากจะได้ความรู้ก็เลยต้องยอมเสี่ยงอันตรายอย่างเคยเล่าแพทย์หนุ่มชาวเยอรมันคนนึงเมื่อร0 0ปีที่แล้วเนี่ยสมัยนั้นเนี่ย ความรู้เรื่องหัวใจของเรามีน้อยมากนะแต่วอร์เนอร์เนี่ยวอร์เนอร์ฟอสแมนเนี่ยขาสงสัยว่าเนี่ยคนเราเนี่ยสามารถจะเข้าถึงหัวใจได้โดยที่ไม่ต้องผ่ากลางอกได้ไหมหรือไม่ต้องผ่าอกเขาทดลองนะเอาสายสวนเนี่ยเสียบเข้าไปในเส้นเลือดที่แขนแล้วก็ดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆจนถึงไหล ถึงหลายแล้วยังไม่พอใจแล้วก็ดันไปอีกดันไปอีกตามเส้นเลือดพอเส้นเลือดทุกเส้นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มีจุดมุ่งหมายไอ้มีจุดหมายคือหัวใจ ก, ก็ดันสายสวนไปจนทังสุดท้ายนี่มันไปกระทบหัวใจโอ้ดีใจมากเลยนะที่พบความรู้ว่านี่เราสามารถจะเข้าถึงหัวใจได้นะ ผ่านเส้นเลือดที่แขนหรือที่ขานะในภายหลังแล้วรู้ต่อมาว่าเนี่ยอะไรที่มากระทบหัวใจเนี่ยมันก็ไม่ทำให้หัวใจหยุดเต้นโพราเสี่ยงอันตรายนะพาอไม่รู้เลยนะว่ า, าจริงๆมันจะตายหรือเปล่าหัวใจจะหยุดเต้นไหมแต่อยากจะลองอยากจะรู้ไม่ใช่เพราะความอยากรู้อยากเห็นแต่ว่ามันเป็นเพราะความใ่รู้นะมันเพราะมันเป็นประโยชน์นะในทางการแพทย์ แล้วคนเราเนี่ยพอรู้ว่าทำอะไรอยู่แล้วก็ทั้งทั้งที่รู้ว่าเ่ต้องเจ็บต้องปวดแต่ว่าความเจ็บปวดก็ไม่ไทำให้เกิดความทุกข์มากนะเพราะว่าเห็นประโยชน์ของมันว่าทำให้ได้ความรู้อะไรบางอย่างความเจ็บปวดบางอย่างก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงนะจากการ แสวงหาความรู้อย่างฟรอสแมนนี่เ็ยอมเจ็บนะเพื่อที่จะรู้ว่าเนี่ยอะไรที่ถูกกระทบที่กระทบหัวใจแล้วไม่ไม่ทำให้หัวใจหยุดเต้นแต่บางอย่างมันเป็นความเจ็บปวดที่ตั้งใจที่จะเจอเลยเพื่อได้มีความรู้ว่าเจ็บปวดนี่มันรุนแรงแค่ไหนเมื่อโด น, นแมลงต่อยแต่ละชนิดแต่ละชนิดแล้วมันมีผลต่อร่างกายอย่างไร มันมีลักษณะอย่างไรนะร้อนหรือว่าปรี้ดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการองความไฝ่รู้นะที่ทำให้ยอมเจ็บยอมปวดหรือบางทีก็ถึงกับเข้าหาความเจ็บปวดเลยหรือจะเรียกยอมทุกข์หรือเข้าหาความทุกข์ก็ได้ จริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรู้นะในทางโลกนะความรู้ในทางธรรมเนี่ยหรือความรู้ในสัจธรรมเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนะที่จะต้องเรียนรู้นะจากความทุกข์พระอาจารย์โกงมานะหลวงพ่อกงมาท่านพูดไม่น่าสนใจท่านบอกว่าถ้าอยากพ้นทุกข์นะก็ต้องเข้าหาทุกข์ ถ้ากลัวทุกข์นะก็ไม่มีวันพ้นทุกข์ได้วันนี้มันเป็นเป็นศัจธรรมทีเดียวนะแล้วก็เป็นข้อคิดที่ดีมากสําหรับคนที่ปรารถนาการพ้นทุกข์นะชาวพุทธํานวนมากที่ที่มาสนใจธรรมะเนี่ยก็ล้วนแต่บอกว่าอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่พอเราเจอทุกข์เข้าจริงๆก็หนีเจอทุกข์จริงๆก็บ่นโวยวายตีฝอยตีพาย ที่จริงมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าอยากพ้นทุกข์เนี่ยก็ต้องกล้าเข้าหาทุกข์เพราะว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยเราต้องรู้จักทุกข์และเราจะรู้จักทุกข์ได้อย่างไรนะถ้าเราไม่เจอทุกข์ด้วยตัวเองและเมื่อเราเจอทุกข์ด้วยตัวเองเราก็จะรู้ว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยนะมันเป็นเพราะความหลงเข้าไปยึดในตัวทุกข์หรือพูดง่ายคือว่า มันเข้าไปเป็นทุกข์นะแต่ถ้าเจอทุกข์แล้วเนี่ยไม่เข้าไปเป็นนะแต่ว่ารู้เฉยๆหรือว่าเห็นทุกข์แทนเนี่ยมันไม่ทุกข์นะเจอทุกข์แต่ว่าไม่เป็นทุกข์เพราะว่าเห็นทุกข์หรือว่าพ่อรู้ทุกข์อันนี้มันเป็นจะว่าเป็นความจริงอย่างหนึ่งนะที่จะรอให้ครูบาอาจารย์ แต่เราฟังจากครูบาอาจารย์อย่างเดียวไม่พอนะมันต้องเข้าไปเจอเองด้วยแล้วก็จะได้รู้ว่าเนี่ยไม่เป็นทุกข์เนี่ยเจอทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันก็ทําได้นะถ้าหากว่ารู้ทุกข์หรือว่าเห็นทุกข์ที่ที่พระเจ้าก็สอนนะว่าสมุดไทยว่าอริยสัจข้อแรกจะคือทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรู้ หรือบางทีก็ใช้ควาว่ากำหนดรู้กำหนดรู้เนี่ยนะบางทีก็แปลไปผิดๆนะมันมาจากภาษาบาลีว่าปริญญาปริญญาบาปริญญาคือรู้ทั่วถึงไม่ใช่ไปจ้องไปเพ่งนะะถ้าเรารู้ทั่วถึงด้วยปัญญาเรืออยงน้อยเนี่ยรู้เห็นมันเพราะมีสติเราก็จะพบว่าเออมันต่างจากการเป็นทุกข์นะ ที่ทุกกันทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะเข้าไปเป็นทุกมากกว่าที่จะรู้ทุกหรือเห็นทุกและความรู้แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าว่าไม่เจอทุกเสียเองนั้นถ้าอยากจะพ้นทุกเนี่ยก็ต้องต้องพร้อมนะที่จะไปเจอทุกนะหลายคนเนี่ยพอตั้งแต่ที่บอกว่าอยากจะพ้นทุกอยากจะพ้นทุก แต่พอเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็โวยวายตีโพยตียหรือพยายามหนีสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่อาจจะเป็นผู้คนการกระทำหรือคำพูดบางอย่างหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจพยายามหนีพยาพยามเลี่ยงเวลาทาบุญก็ตั้งจิตว่าขออย่าได้เจอสิ่งเหล่านี้ อย่าได้เจอทุกข์อย่าได้เจอความสูญเสียได้เจอความพัดพรากนะอย่าได้เจอความล้มเหลวคาถามคือว่าถ้าไม่เจอแล้วเนี่ยมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรนจะพ้นทุกข์ได้มันต้องเจอสิ่งเหล่านี้แล้วก็เลยรู้ที่จะยกจิตให้พ้นไม่ถูกมันครอบงาหรือว่าสามารถที่จะเห็นมัน นะเห็นทุกรู้ทุกแต่ว่าไม่เป็นทุกงนะ์ถ้าเราคิดแต่จะหนีทุกนะไปที่ไหนก็อยากจะอยู่ที่ที่มันสบายนะแล้วก็บอกว่าอยากพ้นทุกอยากพ้นทุกแต่ว่าคิดแต่จะไปหาที่สบายที่ไหนที่มันเจอคนไม่ถูกใจเจอเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจก็เอาแต่จะหนีหรือว่าผักใสอันนี้มันก็ไม่มีทางจะพ้นทุกได้ เพราะว่าไม่ยอมที่จะเรียนรู้จักทุกข์ที่จริงเนี่ยเวลาที่อยู่สุขสบายเนี่ยนะผู้ที่ฝ่ายการพ้นทุกข์นี้ท่านก็จะเดินหน้านะไปแสวงหาทุกข์เลยนะอยู่วัดสบายก็ออกไปทุดงไปเจอกับสัตว์ร้ายนะหรือแม่ก็ไปเจอกับความทุกข์ยากลำบากแต่เราไม่ต้องออกไปเข้าป่าก็ได้นะเพราะว่า ไอสิ่งที่เราว่าทุกนเนี่ยมันมันก็มาหาเราอยู่แล้วถึงขนาดนั้นคือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นหรือเมื่อมันมาถึงเราเนี่ยเราก็อย่าเอาแต่บน่นว้อยวายตีโพยตีพันหรือผักใสแต่เรียนรู้ที่จะศึกษามันแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์ในการฝึกตนให้รู้ทุกเห็นทุกเนี่ยว่าอยู่สุขสบายมากไปบางทีก็ต้อง เข้าหาทุกนะอันนี้เป็นวิสัยของชาวพุทธเนี่ยธรรมยาตราเนี่ยเคยมีปีหนึ่งนะอ่ามีคำขัญว่าสิทธิ์มีครูกล้าสู่ทุกนะเป็นคำขวัญที่อ่ามีขึ้นในปีที่หลวงพ่อคำเขียนท่านมรรณภาพสิทธิ์มีครูเนี่ยนะครูที่ว่านี้อ่าไม่ใช่แค่หลวงพ่อคำเขียนะหลวงพ่อเทียน แต่รวมไปถึงพวก เ, เจ้าเนี่ยถ้าเรานับถือเอาพระเจ้าเป็นครูเนี่ยก็ต้องกล้าสู่ทุกนะไม่ใช่ว่าแต่คอยแต่จะหลบทุกหรือว่าหาแต่ความสดวกสบายข้าหาแต่สิ่งที่ถูกใจนะหนีสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็โวยวายตีโพยตีพายร่ำครวนอันนั้นมันเรียกว่าไม่ใช่วิสัยของศิษย์มีครู หรือไม่ใช่วิสัยของผู้ที่ต้องการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแต่พ้นทุกข์อย่างแท้จริงก็อย่างที่หลวงพ่อกงมาบอกนะก็ต้องกล้าเข้าหาทุกข์เนี่ยเพราะถ้ากลัวทุกข์เนี่ยมันก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้และสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยอยู่กับทุกข์ได้หรือเผชิญความทุกข์ได้นั่นคือว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์เนี่ยจเจ็ป่วยก็มีประโยชน์นะมันทําให้เราได้เห็นอันตรจังของสังขาร อย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดเสมอนะว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมาสอนให้เราฉลาดนะฉลาดในเรื่องของสังขารให้เห็นว่าสังขานี่มันไม่เที่ยวมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตั ว, ต น, วนี้เป็นความรู้ที่ชาวพูทเราควรจะเข้าถึงที่จริงชาวพูทเนี่ยมันก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์นะคือเป็นผู้ใฝ่รู้นะแต่ไม่ได้รู้ทางโลกนะรู้ฝ่ายรู้ในทางธรรมซึ่งก็ต้องพร้อมที่จะ เจอทุกเพราะทุกเท่านั้นแหละนะที่มันสามารถจะทําให้เรามีความรู้ในทางทําได้อย่างแท้จริงจนถึงขั้นพ้นทุกได้เนี่ยพราะเหตุนี้หลวงพ่อมเขียนทั้งจึงพูดแล้วเขียนในช่วงท้ายชีววันเนี่ยเห็นทุกนะก็พ้นทุกเนี่จะเห็นทุกได้ต้องเจอทุกซะก่อนถ้าเอาแต่หลบหรือหนีทุกมันจะเห็นทุกได้ย่งไงแล้วถ้าไม่เห็นทุกไม่รู้ทุกมันจะพ้นทุกได้อย่างไร